เสขขยะสัพทนี้เป็นชื่อของธรรมที่ได้แก่วัดหรือธรรมเนียมอย่างเดียวแปล ว, ว่าควรศึกษาจะเป็นหมวดได้4หมวดหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสารูปว่าด้วยธรรมเนียมควรประพฤติในเวลาเข้าบ้านหมวดที่สองเรียกโภชนะปฏิสังยุตว่าด้วยธรรมเนียมรับบิณฑบาตและฉันอาหารหมวดที่สเรียก คำมัเทศนาปฏิสังยุต์ว่าด้วยธรรมเนียมไม่ให้แสดงธรรมแก่บุคคลแสดงอาการไม่เคารพหมวดที่4เรียกปกิน ก, กะว่าด้วยธรรมเนียมถ่ายอุจาราปรสาวะในคำพีวิพังท่านจัดสิบสิกขาบทเข้าเป็นวักเหมือนในปาจิติยะกันแต่ธรรมเนียมเหล่านี้ก้าวก่กันไปหมดข้าพเจ้าจึงจัดตามแบบนี้ สารูปหมวดที่หนึ่งมี26สิกขาบทจัดเป็นคู่คู่ได้13คู่ดังต่อไปนี้คู่ที่หนึ่งว่าพึงทำศึกษาว่าเราจะนุ่งเป็นปริมณฑลเราจะห่มเป็นปริมณฑลนุ่งห่มเป็นปริมณฑลนั้นคือนุ่งห่มกลมๆเรียบร้อยนุ่งเบื้องบนปิดสะดือแต่ไม่ถึงกระโจมอก เบื้องล่างปิดหัวเข่าทั้งสองลงมาเพียงครึ่งแข้งไม่ถึงกรอมข้อเท้านี้เรียกว่านุ่งเป็นปริมนทนห่มอย่างไรเป็นปริมนทนนั้นท่านแสดงไว้ไม่ชัดเป็นแต่กล่าวว่าทามุมผ้าทั้งสองให้เสมอกันอย่าปล่อยให้เลื้อยหน้าเลื้อยหลังกล่าวตามธรรมเนียมที่ใช้อยู่บัดนี้ในวัดห่มช่เหียงบ่าคือปิดบ่าและแขนซ้าย เปิดบ่าและแขนขวาปกเข่าลงมาขนาดเท่าพานุ่งเข้าบ้านห่มคลุมปิดบ่าและแขนทั้งสองข้างปิดหลุมคอข้างล่างปิดหัวเข่าทั้งสองดังกล่าวแล้วสีขาบทคู่นี้หมายเอากิริยานุ่งห่มอย่างแบบของภิกษุแล้วแต่ให้นุ่งเรียบร้อยห้ามไม่ให้ทำรุ่มร่ามหรือถกรลังไม่นุ่งอย่างแบบภิกษุ แม้ถึงจะปิดมณฑลสามได้เรียบร้อยเช่นนุ่งโจงกระเบนก็จัดว่าใช้ไม่ได้คู่ที่สองว่าพึงทำศึกษาว่าเราจะปกปิดกายดีไปในละแวะกบ้านเราจะปกปิดกายดีนั่งในละแวะกบ้านผ้านุ่งผ้าห่มที่จัดไว้เรียบร้อยแล้วในเวลานุ่งห่มพึงระวังอย่าให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลง คอยชักปกปิดอวัยวะนั้นๆที่กำหนดให้ปิดนี้เป็นคำสอนในสิขาบทคู่นี้อีกอย่างหนึ่งด้วยสิขาบทคู่นี้เป็นอันให้ห่มคลุมเข้าบ้านคู่ที่สามว่าพึ่งทำศึกษาว่าเราจักสารวมดีไปในระแวกบ้านเราจักสารวมดีนั่งในระแวกบ้านคำว่าสํารวมดีนั้นหมายเอารักษาอวัยวะสงบ ไม่ขนองมือขนองเท้าไม่ไหวมือไหวเท้าเพื่อจะเล่นเช่นแกว่งเท้ากระดิกมือเล่นเป็นต้นใช้มือใช้เท้าในเวลามีกิจไม่ห้ามคู่ที่สี่ว่าเพิ่งทำศึกษาว่าเราจะมีตาทอดลงไปในระแวกบ้านเราจะมีตาทอดลงนั่งในระแวกบ้านท่านสอนให้แลประมาณช่วงแอกหนึ่ง ซึ่งกำหนดว่าสีส่สอแต่ดวงตาอาจเห็นได้ไกลกว่านั้นถ้าแลสั้นถึงป่านนั้นดูเป็นการแกล้งทำไม่ใช่อาการปกติไม่เพียงเกินงามกลับงมงายไปอีกความต้องการนั้นให้รักษาเป็นอาการโดยปกติแม้จะแลไกลก็ได้แต่แลตาทอดลงอย่าแลเลิกตามีคำในพระสูตรบางแห่งว่า ภิกษุผู้ไม่งมงายย่อมแลเห็นช้างร้ายม้าร้ายอันมาตามทางและรู้จักหลบหลีกอย่างคนทั้งหลายเขาทำกันไม่อดดีคู่ที่5ว่าพึงทำศึกษาว่าเราจะไม่ไปในละแวกบ้านด้วยทางเวกผ้าเราจะไม่นั่งในละแวกบ้านด้วยทางเวกผ้าการเวกผ้านั้นหมายเอาเปิดสีข้างให้เห็น เช่นถกจีวรขึ้นพาดไว้บนบ่าคู่ที่6ว่าเพื่งทำศึกษาว่าเราจากไม่ไปในละแวกบ้านด้วยทั้งความหัวเราะลั่นเราจากไม่นั่งในละแวกบ้านด้วยทั้งความหัวเราะลั่นหัวเราะลนนั่นนั้นคือหัวเราะเฮฮาความซิกซีคือหัวเราะคิกคักก็สงเคราะห์ในข้อนี้เหมือนกันเป็นกิริยาเสียสังวรทั้งนั้น เมื่อมีเรื่องขันที่หน้าหัวเราะกลั้นไม่อยู่พึงทำแต่ความยิ้มแย้มเท่านั้นคู่ที่เจ็ดว่าพึงทำศึกษาว่าเราจะมีเสียงน้อยไปในระแวกบ้านเราจะมีเสียงน้อยนั่งในระแวกบ้านคำว่าเสียงน้อยนั้นหมายเสียงที่เป็นค่าศึกเก่เสียงดังไม่ใช่เสียงพูดซุบซิบโดยความก็คือเสียงปกติ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 อัตราาถาจาร์กำหนดไว้แต่ไม่เสียสังวรคือไม่ได้ใช้เสียงตะเบงไม่ได้ใช้เสียงตะโกนเห็นว่าใช้ได้คู่ที่8ว่าพึงทมศึกษาว่าเราจะไม่โยกกายไปในละแวะกบ้านเราจะไม่โยกกายนั่งในละแวะกบ้านกิริยายโยกกายเพราะทำภูมิก็ตามเพราะอ่อนแอก็ตามห้ามทั้งนั้น ท่านต้องการให้เดินและนั่งตั้งตัวตรงคู่ที่9ว่าพึงทำศึกษาว่าเราจักไม่กวัยแขนไปในระแวกบ้านเราจักไม่กวัยแขนนั่งในระแวกบ้านกวัยแขนก็เหมือนกันเพื่อทำภูมิก็ตามเพื่อแสดงลีลาก็ตามห้ามทั้งนั้นท่านสอนให้แข็งแขนไว้ในเวลาเดินแต่นที่จริงแขนนั้น ย่อมเป็นกำลังเครื่องทานตัวเช่นเวลาไต่สะพานกางแขนออกย่อมจะทานตัวได้ทรงอยู่ได้ดีกว่าหุบแขนแต่เมื่อถึงคราวจะต้องใช้แขนในกิจเช่นนี้ทำไม่มีโทษคู่ที่1ิบว่าพึ่งทำศึกษาว่าเราจะไม่โคลงศีรษะไปในระแวกบ้านเราจากไม่โคลงศีรษะนั่งในระแวกบ้าน ข้อนี้สอนให้ตั้งศีรษะตรงอย่าให้เดินหรือนั่งคอพับดังคนไม่มีกำลังจะทานศารีรษะท่านต้องการให้มีท่าทางองค์อาจเป็นสง่าคู่ที่11ว่าพึ่งทำศึกษาว่าเราจากไม่ทำความค้าไปในละแวะกบ้านเราจากไม่ทำความค้านั่งในละแวะกบ้านคำว่าทำความค้านั้นหมายเอาเดินเอามือ ค้ำบันเอวนั่งเท้าแขนข้างเดียวก็ตามสองข้างก็ตามคู่ที่สิบสองว่าพึ่งทาศึกษาว่าเราจะไม่คลุมศีรษะไปในละแวกบ้านเราจะไม่คลุมศีรษะนั่งในละแวกบ้านกิริยาที่ปิดกายในที่ควรจะปิดเป็นธรรมเนียมที่ดีแต่ปิดหรือคลุมอวัยวะที่ควรเปิดเป็นกิริยาที่น่าติ จึงห้ามไว้ด้วยสิกขาบทคู่นี้คู่ที่13ว่าเราจะไม่ไปในละแวกบ้านด้วยทั้งความกระโยกเราจะไม่นั่งในละแวกบ้านด้วยทั้งความรัดกิริยาที่เดินกระโยกคือเหยียบพื้นไม่เต็มเท้าห้ามในข้อต้นท่านต้องการให้เดินเหยียบพื้นเต็มเท้ากิริยาที่นั่งยองเอามือกอดเข่าก็ดี เอาผ้ารัดรอบก็ดีห้ามในข้อหลังนั่งกอดเขานั้นในประเทศนี้ก็ใช้กันอยู่ส่วนนั่งเอาผ้ารัดนั้นหาใช้กันไม่ได้เห็นในรูปภาพโบราณคนอ้วนใช้กันมากเป็นเครื่องช่วยกำลังทรงกายในเศรษฐยะสิกขาบทไม่ได้ปรับอาบัติไว้โดยตรงมีแต่เพียงว่าพึ่งทำศึกษาในคำภีวิพังแก้ว่า